ทุกเช้าเหมือนมีความเงามานั่งรอนานเกินแล้วนอที่เราห่างไกลกันอย่างนี้จะเจอได้เพียงแต่ในฝันตื่นนอนกันคนละทีอยู่แบบนี้ข้อดีอยู่ที่ จเจนากัช่วยเอาคืนวันของเรากลับมาจะได้มา ฉันไม่เคยจะชินความห่างไกลยังคงหวั่นไหวถึงใจอีกใจอยู่ซสม คิดถึงข้าคนหนึ่งคน